มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจันทร์ถึงศุกร์โทรศูนย์สองหหรือที่ w w w l o t u s r m ว t t a c t h วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเปเุมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 ริ้งเมื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา แรงใจและกิตสัทธาเงือที่ริมเงื้อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการสุขอาสานะครับกลังมาพบกับผมนัทพลดีอุดในรายการสุขอาสานะครับทุกคืนวันศุกร์แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 89.5MHz นะฮะซึ่งรายการสุขอาสาของเราก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมอาสาคนอาสารวมถึง เรื่องราวอาสาต่างๆเป็นกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆนะครับที่เราจะนํามาแชร์นํามาบอกต่อให้คุณฟังได้รับฟังกันในรายการสุขอาสาที่นี่นะครับด้วยวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราเริ่มต้นในช่วงแรกของรายการกับคิดอาสาด้วยเรื่องราวกิจกรรมดีๆนะครับที่อําเภอบางพลีนะครับในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปรรนะครับในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทําความสะอาดเก็บขยะบริเวณทางออกสนามบินสุวรรณภูมิอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณผู้ ฟครับนายธนกิจสัมรานเวทนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระา ร, ราชทาน904วปรณรลานจอ ด, ดถรถทัวบริษัท RL แอลเซอรวิส ต, ตําำบลบางฉลงอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยมีจิตอาสาพระา ร, ราชทาน904วปรรผู้แทนภาคส่วนต่างๆและประชาชนจิตอาสาของจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับร่วมร่รวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณทางออกสนามบินสุวรรณภูมิที่เชื่อมต่อกับถนนเทพพา ร, รัตกิโลเมตรที่15นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชานทาโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระจำมริด้วยส่งมุ่งหวังให้ประสงนิกรทุกหมู่เหล่ามีความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมนะครับด้วยอำเภอบางพีได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปรออย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับในการจิต ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับและร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะฮะในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วป ร, รในครั้งนี้นะครับเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ทําความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือว่าจิตอาสาโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะครับในการกระทําอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร, รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ความปลองดองสมารชาทินในหมู่คณะและให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่นํามาฝากในช่วงของคิดอาสาในวันนี้เป็นเรื่องราวของมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับในการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับด้วยเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังครับมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิศิลปินจากบริษัท GMM Grammy จํากัดมหาชนร่วมเป็นจิตอาสาบรรจุถุงยังชีพพระช ฐานจํานวน 8,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโพดุลสําหรับนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ะะซึ่งภายในถุงยังชีพพระราชทานจะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันอาทิเข้าสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องยาสามัญประจําบ้านเครื่องนุ่งห่มนะครับโดยมีศิลปินจากแกรมมี่ได้แก่คุณปาวรีพรพิมลเฟื่องฟุง้งนักแสดงนะครับเบลวอบอยฟิววายุเกตสุวิทย์นะครับคุณอู๋เอกพลดีบุญมีณนะชุมแหคุณหลุยธนวิทยทีระโพสุการนะครับคุณแมกนัทพงษ์บุญยืนและศิลปิน หลายๆคนเลยนะฮะจากเครือแกร์ ม, มี่มาร่วมเป็น จิตอาสาบรรจุถุงยางชีพพระราชทานณนะกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพ บ, บกในครั้งนี้ด้วยนะครับต่อกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะดีๆจากราชมงคลพระนคร น, นะครับในการร่วมปันน้ําใจช่วยเหลือชาวอุบล น, นะครับโดยรองศาสตราจารย์สุภัทากสูสายการนนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น, นะครับคุณผู้ฟังเปิดเผยนะครับว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานยังคงวิกฤตนะฮะหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องและได้รับอิทธิพล จากพายุโพดุลและคาจิกินะครับด้วยขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตนะครับเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ประชาชนหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลรัชธานีได้รับความเดือดร้อนดังนั้นนะครับทางรัชมงคลพระนครเองได้เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจนะครับเข้าร่วม ปันน้ำใจผ่านชื่อบัญชีมอทรอพระนครรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบ ภ, ภัยภาคอีสานเลขที่บัญชี8 8 0 7ปดศ3นยถึงานะครับธนาคารกรุงเทพสาขามอทรพระนครนะฮะศูนย์เเวศซึ่งผู้รับบริจาคสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่กองคลังสำนักงานอธิการบาดีราชมงคลพระนครหรือมัด หรือสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารกิจการนักศึกษาชั้นหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศูนย์พะนครเหนือตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายน2562เวลา9นาิกา30นาทีถึง16นาฬกานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0814419089หรือ026653777ต่อ6035ครับปิดท้ายกับกิจกรรมดีๆในช่วงนี้นะฮะกับ อีกหกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นในการเดินหน้าซับน้ําตาผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรล์ผลวงรองที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจําวิทยาเขตขอนแก่นนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญาภรณ์ดวงสาผู้ช่วยที่การบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่นและอาจารย์ประพันธ์เยาวระนะฮะคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนําคณาจารย์นักศึกษาลงพื้นที่ในการช่วยบรรจุสิ่งของที่จําเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณ์สาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนะครับนอกจากนี้ครับคณาจารย์ศักกะอาคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมนะฮะหลักสูตรไฟฟ้าและหลักสูตรเครื่องกลได้นํานักศึกษาร่วมลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือการเกษตรรวมถึงรถจกกักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนบริเวณกมรมทหารราบที่8นะครับ คุณฟังครับและนี่คือเรื่องราวของช่วงคิดอาสาที่ผมนํามาแชร์ให้คุณฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคนอาสากันครับพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่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 วันนี้คนอาสาครับคุณผู้ฟังผมมีเรื่องราวของกลุ่มศิลปินจิตอาสานะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับโดยนายเสถียรสุภาคุณหรือว่าคุณเสถียรทํามือนะครับนักร้องชื่อดังลูกหลานชาวสีสเกตนะครับที่เปิดเผยนะครับว่ากลุ่มจิตอาสานักกีฬาและศิลปินในจังหวัดสีสเกตนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลและฟีคอนเสิร์ตรับบริจาคสิ่งของเพื่อนําไปมอบให้กับ พี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตามที่ได้มีพายุพัดผ่านเข้ามาทําให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับของภาคอีสานซึ่งจังหวัดศรีสะเกดและหลายจังหวัดมีฝนตกหนักส่งผลให้มีน้าท่วมบ้านเรือนไรนาพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับและประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นกลุ่มจิตอาสานะครับรวมถึงนักกีฬาศิลปินในจังหวัดศรีสะเกดจึงได้ร่วมกันกําหนด จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลและฟีคอนเสิร์ตในวันที่24กันยายน2562เพื่อรับบริจาคสิ่งของเพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้าท่วมทั้งในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดเองและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมของคนอาสานะครับนั่นคือการรวมพลังของศิลปินจิตอาสาจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลของศูนย์บริรักษ์ศิริราชนะครับ กลับมาอีกแล้วครับคุณฟังกับกิจกรรม Dream นด์มิซซี่เคิลเด เซอริตี้นะครับครั้งที่11คอนเสิร์ตเทอเตอร์การกุศลเรื่องภาพสุดท้ายนะครับด้วยในปีนี้ครับครูนุ่นสรีพรแสงบุญน้ำผู้ก่อตั้ง d ีม a อนด์มิวสิคว์เ e อะเซอริตร่วมกับบริทัมทินเกตนะครับและสถาบันเทคโนโลยี Technology, ราชมงคลพระนครโรงพยาบาลศิริราชนะครับพร้อมด้วยศิลปินหัวใจจิตอาสาเพื่ อ, อเพื่อร่วมระดมทุนให้กับศูนย์บริรักษ์ศิริราชหรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับโดยครูนุ่นผู้ก่อตั้งกลุ่มพลัง เล็กๆเผยนะครับว่ากลุ่มพลังเล็กๆคือกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมหวังเพียงเพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆนะครับโดยเริ่มจาก เงินออมของครูนุ่นและลูกศิษย์คนละเล็กละน้อยนะครับมาเป็นต้นทุนในการจัดทํำล ะ, ล ะ, ละครการกุศลเล็กๆกิจกรรมในแต่ละครั้งนอกจากจะช่วยเหลือผู้ป่วยและสังคมแล้ ว, ลวครับยังได้พบมวลพลังแห่งการสร้างเสริมจิตวิ ญ, ญญาณที่ดีของสภะชีวิตนะครับดยในปีนี้ครับคุณผู้ฟังทางกลุ่มได้ใช้คอนเซปต์ใช้หัวใจทํานําด้วยหัวใจนะครับและครั้งนี้มีศิลปินหัวใจจิตอาสาร่วมงานอาทิเช่นคุณซาลาเอฟคุณลูกว่าพิจิกาคุณซุเมธองอาจคุณโดมเดอะสตารปนะครับ และศิลปินอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่ทุกคนจะเข้ามาด้วยใจจริงๆในการจัดแสดงในวันที่6ตุลาคม2562เวลา17นาิกานะครับเพียงรอบเดียวณโรงละครเคแ n k สยามพิคเนตและยังมีเทศกาลฮอร H ์อ d ฟเดทนะครับจำหน่ายกระเป๋าผ้าและเสื้อใช้หัวใจทำ นำด้วยหัวใจด้วยนะครับโดยคุณฟังนะครับสามารถซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตการกุศลได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับโดยรายได้จากการขายบัตรทั้งหมดนะครับโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายจะมอบให้กับทางมูลนิธินะครับและสามารถบริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้นหนึ่งโรงพยาบาลศิริราช หรือบริจาคผ่านธนาคารเข้าบัญชีศิริราชมูลนิธินะครับกองศูนย์บริักษ์หรือเลขดี0 2 9 1 8ครับคุณฝั่งครับนี่คือ2กลุ่มคนอาสานะครับเป็น2กลุ่มศิลปินที่ร่วมทำจิตอาสาทั้งศิลปินทางภาคอีสานนะครับที่จังหวัดศรีสะเกตโดยคุณสเสถียรทำมือนะครับหรือว่าคุณสเสถียรสุภากุลที่มีการจัดคอนเสิร์ตหรือร่วมกับ การจัดกิจกรรมดีๆการแข่งขันฟุตบอลนะครับเพื่อหาเงินรายได้สมทบนะฮะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมในภาคอีสานนะครับรวมถึงอีก1ศิลปินอ่าอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินนะครับที่ร่วมพลังจิตอาสาในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อศูนย์บริรักษ์ศิริราชนะครับถือว่าเป็นสกลุ่มศิลปิน2กลุ่มคนอาสานะครับที่เรานํามาบอกต่อนํามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของคนอาสาในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาต่ออกกกกับิิิจจรรรมขงภาต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 สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653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 กลับมากับช่วงสุดท้ายครับกับภารกิจจิตอาสาครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ภารกิจจิตอาสานะครับจะชวนคุณผู้ฟังไปทํากิจกรรมดีๆกับมทรทั ญ, ญบุรีหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะครับที่ขอเชิญ น, น, นะครคุณผู้ฟังนะครร่วมบริจาคโลหิล 62, ตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับด้วยขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับร่วมบริจาคโลหิตแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในวันอังคารที่15ตุลาคม262สองตันห้าร้อยหกถึง เวลา15นาฬิกานะครับณห้องสงทนาพิทักษ์ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ48พระชันสสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6กอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จะนํามาบอก นำมาแชร์คุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเหมือนกันนะครับกับโครงการครัวลูกสวรรค์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีในการเปิดบริการด้านอาหารสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ รวมคนจิตอาสานะครับรวมถึงการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกทุกท่านนะครับโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของหรือว่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ได้กับรัวรูปบัวสวรรค์นะครับใดที่ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะครับสามารถสอบถามหรือว่าติดต่อเข้าไปเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับครัวรูปบัวสวรรค์ น, นี้ได้นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับนี่คือ2กิจกรรมนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของภารกิจจิตอาสากับ2กิจกรรมดีๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับและเราเดินทางมาครบทั้ง3ช่วงของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสา ที่นำมาแชร์นำมาบอกต่อคุณฟังในวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับได้ทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับกับรายการสุขอาสาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับคุณฟังครับลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ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 อาสาเราพาภูมิใจ so.